พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าพรรษานี้ควรทำหน้าที่พุทธบริษัทคณะสัออ า, ายาติโยม วันนี้พวกเรานับว่าโชคดีที่มาร่วมกันถวายเสนาช น, นะสงนะนี่เจ้าภาพมาจากกรุงเทพมาบวชอยู่ที่นี่พอบวชแล้วก็เห็นเสนาชนะมันจะไม่เพียงพอเท่าไหร่เขาก็เลยถวายหลังหนึ่งงบประมาณห้าหแสนมั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะพระขึ้นไปฉลองแล้วแต่วันนี้เจ้าภาพมาจากกรุงเทพ มาจะถวายกล่าวคําถวายเสนาสนะสงฆ์เพให้พวกเราจัตถาญาตโยมทุกท่านนะร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้พระสงฆ์ได้ขึ้นไปบําเพ็ญภาวนาเมื่อพระสงฆ์ได้บาเพ็ญภาวนาพวกเราจะได้บุญกุศลเพราะว่าท่านได้ไปภาวนาอยู่ที่กุฏิของเรา ท่าว่าท่านภาวนาได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนะได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในกุฏิของเรานโนอะถูกหัวแจ็คพอตแต่ขึ้นไปแล้วไปขี้เกียจภาวนาโอ้โหนั้นขาดทุนนะได้เย็นไปพบ ก, กูบา ท, ทั้งหลายไปนอนที่กุฏิของสัทธายาตโยมแล้วไปขี้เกียจภาวนาไม่ได้นะเขาขาดทุนนะ ตัวเองขาดทุนแล้วใช่ไหมจัตถายาโยมผู้ถวายกุฏิก็ขาดทุนด้วยเพราะนั้นให้พวกเราภาวนาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจัตถาญาติโยมที่ถวายเขาก็ได้บุญได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะนั้นให้วันนี้ก็เนี่ยจะมีการกล่าวคําถวายแต่ปีนี้กุฏิขึ้นมา ส, สองหลังมั้งหลังหนึ่งมาจากชนบุรีนะร้านขายยาที่ชนบุรีมาบวช บางบุญแล้วก็จะถวายกุฏิหลวงพ่อเออเอาได้ก็เลยสร้างกุฏิ2หลังแต่นี้เอามาถวายก่อนจากกรุงเทพถวายก่อนชนบุรีคงคงจะขึ้นมาทีหลังมัง้งโอ้ถวายเทียนพรรษาด้วยเนะดีกูบาได้ใช้เน่ยละเทียนนะใจเดินยังกลมเพราะว่าข้างในไม่มีเทียนไม่มีไฟฟ้านะข้างในไม่มีไฟฟ้า ใช้เทียนแต่บางองค์ู่บามาจากเมืองกรุงพอมาใช้เทียนนะเีมาจุดที่หวัวหัวนอนตัวเองพออ่านหนังสือก็เสียงลงพอ้อให้อ่านหนังสือนะพออ่านหนังสือเดี๋ยวมันจะหลับคาเทียนเทียนมันจะไหม้ก้นพอจุดเทียนที่หัวนอนแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือก็หลับเสนเตะเต พอลับขึ้นมาก็มันหนาวใช่ไหมชักผ้าห่มขึ้นมาคือพอชักผ้าห่มขึ้นมาก็มาปกเทียนใช่ไหมละ่ะเทียนมันก็มีไฟอยู่มันก็ ไ, มไหมเแต่ทีวันนี้โอ้พอไหมคือว่ากว่าจะลุกขึ้นมาได้มันไฟลุกเลยแต่เนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงเอาตีนขึ้นไปกระเทืบใช่ไหมแนี่ไปเหยียบเหมืนกันเหยียบให้ไฟดับไอผ้าห่มทุกวันเนี้มันไม่ใช่ผ้าห่มไฟธรรมดาใช่ไหมมัน ผสมอะไรเป็นยางอะ่ ะ, ะ, ะ, นะะ อ, นะอ่อะห่มพลาสติกเน่ยพะห่มอะไรน่ะเออมันกันเหนียวแต่นี่เอพอเหยียบเพรามันก็ติดตีนใช่างเออวอกว่าจะนั้นได้ได้ขานอนอมาจากกัตุติมหาหมูเหมือนกันก็ อ, อยู่ใกล้ๆนะหมูก็เลยมาช่วยพอได้ยินเสียงเราโอ้ตัตๆตต่อไปลูกหลานนะยอย่าไปจุดเทียนกลางคืน ห่านหนังสือให้อ่านกลางวันกลางคืนให้หยุดอย่าไปอ่านทักลางวันเทียนมันไม่พอเลเสียสายตายต่างหากออวัยพระรับศีลก่อนก็นได้นะเพื่อเป็นพิธีศรัทธาญาติโยมเพราะว่าพวกเรามาจากทางไกลก็มีอย่างน้อยก็มีศีลห้าสักหน่อยนะมาถึงวัดแล้วรับศีลห้าแล้วค่อยกล่าวกล่าวคาถวายออถวายกุฏิ ต่อภายหลังเอาผู้หมวดเป็นผู้นำอิเมนาสกกเลนาทางโพธังอภิปูชยามาตั้งใจสมาทานศีลวันนี้ถ้าจะว่าศีลพิเศษก็ใช่ เป็นวันเสาร์ตามปกติหลวงพ่อจะให้รับศินแต่เฉพาะวันพระที่ศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่วันนี้เป็นศินสำหรับศรัทธาญาติโยมที่ถวายกุฏิที่พักของพระสงฆ์เดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในวัดของเราก็51รูปนะพระสงฆ์ทั้งหมด51รูป แต่เรารูปเนะี่อยู่คนละหลังละหลังกันพรหลวงพ่อม่ให้พักรวมกันพราะเป็นกุฏิพระกรรมฐานแต่กระทากุฏิเล็กๆพออยู่ได้สบา ย, บายแลันนี้ก็มีศรัทธา ญ, ญาติโยมมาสร้างกุฏิมาจากกรุงเทพมาสร้างกุฏิหลังหนึ่งก็สร้างเพิ่งเสร็จแล้วะพอเสร็จขึ้นมาแล้วก็หลวงพ่อก็เออเมื่อเสร็จแล้วก็ให้พระที่มีอายุพรรษา เรียงลำดับลงไปให้องค์ไหนเลือกก่อนให้พระให้พระเก่าที่มีอายุพรรษาเลือกก่อนตามพรรษาถ้าเว้นเสียแต่ว่าไม่ต้องการสละสิทธ์ก็เรียงลงไปตามลำดับหลวงพ่อได้บอกพระแล้วพระท่านก็จัดการหรือว่าปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็มีพระเข้าไปอยู่แล้วแหละพระที่มีอายุพรรษาเข้าไปอยู่จํา เข้าไปอยู่ทั้งสองกุติสองหลังนี่แะพอนันวันนี้เจ้าภาพเข้ามาก็ก็ามาถวายแต่ถึงใหญ่กุติของครูบาเข้าไปอยู่แล้ ว, ลวไปพักแล้วไปภาวนาแล้วไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นแล้วนะจะคงจะจำบรรษาอยู่ในกุติของเราด้วยพอนั้นวันนี้ คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้เจ้าภาพชักชวนพี่น้องลูกหลานมาร่วมมารวมกันแล้วก็จะกล่าวทาคำถวายกุฏิหลังที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละนันก่อนที่จะถวายกุฏิตอนเช้าเราก็ได้ใส่บาตรตักบาตร ท, ทาบุญตอนเช้าเสร็จแล้วก็เราก็จะได้ถวายกุฏิหลวงพ่อจึงให้สมาทานศีลก่อนเพราะถวายกุฏิไม่ใช่ว่าเราได้ถวาย ทุกวีทุกวันเมื่อไหรอาจจะเราอาจจะถวายเป็นครั้งแรกในตระกูลในครอบครัวของเราก็ได้ที่ถวายกุฏิในวันนี้แล้วก็ก่อนที่จะถวายกุฏิเราก็จะเดกรับศินแล้วก็สมาทานศินแล้วก็กล่าวความถวายจากนั้นก็จะได้พระสงฆ์อนุโมทนาพวกเราจะได้อุทิศอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนของพวกเรา คืออุทิศบรรพุทธกุศลต่อบุคคลผู้มีอุปการะสำหรับเราไม่ว่าในปัจจุบันในชาตินะถึงอดีตชาติถ้าว่าท่านเหล่านั้นตกทุกข์ใดยากมีความทุกข์ใจมีความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างไรเกิดในภพใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์แต่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้น อันนี้เมื่อเรากล่าวคำถวายเสนาสนะสง์พระสงฆ์มาในจารตุรทิศคือมาในทิศทั้งสี่เราไมา่ได้เลือกว่ า, าพระองค์ไหนมาจากที่ใดตาว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำรงทรงในหลักธรรมวินัยแล้วก็ออนิมนต์มาพักที่กุฏิของเราได้ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท4 อ, อุบาสก ผู้ที่บาเพ็ญเนี่ย ข, ขำที่อยู่ฝ่ายสงก็เข้าไปพักปฏิบัติภาวนาได้เราไม่ได้เลือกผู้ใดขอให้ผู้นั้นมาเพื่อศึกษาปฏิบัติบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเจ้าภาพยินดีอนโมทนายินดีให้พักพาอาศัยไม่มีไม่มีเก็บค่าเช่าอีกต่างหากนะเอาบุญนั่นแหละเป็นค่าเช่านะ ถ้าว่าผู้ใดไปพักพวกเจ้าภาพก็ได้บุญได้กุศลจากผู้ที่ไปที่ได้ไปบําเพ็ญรัะ น, นั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของตระกูแลแะเป็นวันสําคัญของบริษัทหรือเป็นวันสําคัญของครอบครัวที่ได้มาร่วมมารวมกันถวายศีลอาชนะไว้ในพระพุทธศาสน า, าต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะนําสมาฐานศีลห้าก่อนนะ เมื่อสินห้าจบเรียบร้อยแล้วเขาค่อยกล่าวคำถวายเซนาสนะในไว้ในพระพุทธศาสนาต่อไปนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะเิผุติงยันติตัตมาสีสารังวิโสธาเยเ้าคุณชมชยัย พ่อเป็นคนกล่าวคำถวายฐานเอาวานวนโมสามจบเอาอ่านเทนั้นเลยอ่านเล ย, ยังคุกเข่าเลยก็ได้วานโมสามจบพร้อมกันเน้อเอานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสุมาสามุตัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสามุตัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะขอเชิญทุกท่านเลยนะครับอิมานิม า, นมายังพันเตนเสนาสนานิานานจะปะลิวารานินะจะตุทิศทสัตตะพิกุสังคัสสะอาคตานาะ คาตัสสะวัลัญชนาทถายะอิบังอิบังสะมิงอิบังมัสมิงอาวะเอาวาเสนิยาเทมะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิเศนาเศนาชนะนิจัปปะลิวารานิ ปฏิคันหาตุอัมหากังเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชะปิยะชะนาปิยชะนานัะะนานางทีคารัตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย อันนี้ขออนุญาตนะครับพร้อมด้วยมารดาพี่น้องทุกคนลูกสาวลูกชายหลานสาวหลานชายเพื่อนกัลยาณมิตรณสถานที่นี้ทุกคนขอมอบถวายเสนาสนะพร้อมกับของิริวารทั้งหลายไว้ในอาวาสแห่งนี้เพื่อประโยชน์ เป็นเครื่องใช้สอยของพระพิษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีและยังไม่ได้มาก็ดีขอพระพิษุสงฆ์ได้โปรดรับเสนาธนะพร้อมกับของบูติวานทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายกับญาติที่รักเคารพทั้งหลายมีมีารดาบิดาเป็นต้นตลอดการละนานเทินสาธุเอาต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้ฟัง ลูกเพื่อการศึกษาของคณะจัายาติโยมที่พวกเรากล่าวจบลงไปนี้คุณโยมสมชายเตชะพันงามพร้อมกับลูกหลานอย่างที่เด็กพูดได้ ก, กล่าวแต่กุฏิหลังนี้จะตั้งชื่อว่าชายนรงก็คงจะเป็นคุณพ่อนะที่จ้างกุฏิหลังนี้นะ นายแนะนำแนะนำของลูกหลานแล้วก็ขอให้ลูกหลานทุกคนจงประสบอายุวันะสุขภาระลารวยโชคดีทุกคนที่ได้ถวายเสนาสนะไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก่อนที่พวกเราจะสมาทานศีล น, นะความเป็นมาหรือว่าการถวายเ ส, สนาสนะสง์ไม่เจาะจงกับท่านผู้ใดใครองค์ใดองค์หนึ่ง ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นจมบัติของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าผู้ใดมาบำเพ็ญเหยื่ศีลสมาธิปัญญาอยู่ในกุติของเราพวกเราก็ได้บุญได้กุศลจากท่านผู้นั้นไม่มีเก็บค่าอะไรทั้งหมดทางด้านวัตถุมีแต่เก็บบุญเข้าสู่จิตใจเท่านั้นเองเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นการสร้างมอบไว้ในพระพุทธศาสนา อันนี้ก็เป็นการกล่าวคําถวายเสร็จแล้วต่อไปพระสงฆ์จะอนุโมโทนาให้พรแต่หลวงพ่อจะได้กล่าววันนี้เป็นวันเสาร์วันที่9วันนี้เป็นวันที่9วันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2559วันนี้เมื่อวานหลวงพ่อออกไปแต่เช้ามืดไปที่ขอนแก่นไปโรง ไปสีนกครินไปมีการไปชมเกี่ยวกับตึกสงสงอาพาธาไปไประชุมเรื่องทุนนิทุนนิธิสงอาพาธดูแลพระสง์อาพาธาพระสง์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ไปพักรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นหลวงพ่อเองเอต่างทั้งต่า ง, งทั้งมูลนิธิด้วยแล้วก็หาทุนให้มูลนิธิ เมื่อวันที่สีที่หมิถุนาก็ได้จะตกปัจจัยประมาณ6ล้านหล้าน ก, กว่าแล้วก็เมื่อวานก็ไปประชุมเรื่องทุนนี้ที่อีกเพื่อจะสนับสนุนเรื่องโรงพยาบาลตรงนี้แหละสีนักเรนแต่เมื่อวานเนี่ยก็คณะแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมบอกว่าปีนี้หลวงพออ่อปีที่แล้วน่เราใช้เงิน ประมาณสม ล, นะล้านกว่าทั้งปีนะสมล้านกว่าทั้งปีแต่ปีนี้รู้สึกว่าใช้เยอะนะหลวงพ่อนะอพอเขามาถึงครึ่งปีตนเองใช้เงินไปสมล้านกว่าแล้วหลวงพ่อเออทุกอย่างง่าย่าให้เกินหก็แล้วครับ น, นะเพราะว่าเราหาได้หกแต่เรื่องถึงใช้จ่ายก็มีความจำเป็นเวลาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ็บใข่ได้ป่วย แต่จะต้องจาเป็นได้ใช้จะตุปใจเหล่านี้ที่เมื่อวานคณะแพทย์บอกว่าใช้ไปสามล้านกว่าแล้วหลวงพ่อปีนี้ใช้หนักแต่ว่าเดือนที่แล้วก็รู้สึกอ่อนลงไปแล้วละ่ะประมาณเดือนประมาณี่แสนแต่ไม่ไหวก็รู้สึกว่าเดีย๋ยวใช้ได้ใช้จะตุไปจัดปัจจัยมากอยู่คือในฐานะที่หลวงพ่อเป็นประธานประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่น หลวงพ่อก็ได้เซ็นหนังสือไว้เลยว่าการใช้จ่ายจะทุปัจจัยที่ได้มาเนี่ยขอให้เป็นดุลยพินิษของคณะอาจารย์คณะแพทย์ทั้งหลายหลวงพว่อจะเซ็นให้ปีตกปีอย่างปีนี้นะปีสองพห้าร้อยห้หลวงพ่อก็เซ็นหนังสือให้หมอกความไว้าไวางใจในการใช้จ่ายแต่ถึงยังไงก็ยัให้มันเกินแล้วก็เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ายาค่าดูแลค่ารักษาค่าอะไร ท่านก็ละเอียดมากนะก็ให้มอบให้ท่านอาจารย์แพทย์ทั้งหลายท่านมีบัญชงบัญชีเรียบร้อยหลวงพ่อก็ไว้ใจแต่ก็ให้เซ็นปีต่อปีอนุมัติปีต่อปีในฐานะที่เป็นประธานมูรนิธิแต่ปีนี้หลวงพ่อก็เซ็นอนุมัติให้แล้วให้ใช้ได้แต่กใ็ในวงเงิน6กล้านก่อนนะเงิน6กล้านก่อน แต่พอมันเหลือแต่ละปีเนี่ยก็พักเข้าไปเป็นมูลนิธิต่อไปที่มันเหลือนะแต่แต่ปีนี้ก็ปีที่แล้วในเหลือนะแต่ปีนี้ดูดูแล้วใช้มือมือหนักพ ร, พระสงฆ์ครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็หลวงปูบ่บุญเพ่งทากองเพงก็อยู่ที่นั่นหลวงปู่อะไรหลายๆลาองค์อยู่ที่นั่นสองสามองค์นะแต่หลวงพ่อก็เห็นแล้วก็พักภูมิใจ ก็เห็นใเพราะว่าครูบาอาจารย์พระกรรมฐานทั้งอีสานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เนี่ยก็ไปพักอยู่ที่ตึกหลังนี่แหละตึกสมเด็จญาชั้นที่สิบเนี่ยเป็นหอสงอาพาตตั้งชื่อว่าหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตดูแลพระสงฆ์อาพาธไม่ได้เลือกในกายไหน พระเวียดนามพระอะไรมาก็นั่นแหละถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษานี่แหละเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ไปไปชมเรื่องนี่แหละเรื่องอทุนเือดดูแลพร ะ, พระสงฆ์อาพาธกลับมาก็ค่ำมืดเมื่อวานไปตอแต่เช้ามืด <c oughs> เสียเวลาทั้งวันเลยคณะธรธาญาติโยมลูกหลานนี่แหละภาระทุระของหลวงพอ่อไม่ใช่ไว้มีแต่ในวัดมีงานหลวงงานราดด้วย งานของพระสงฆ์ด้วยรั บ, ร, บรับพระภาระแต่หลวงพ่อก็เมื่อคณะกรรมาการให้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็เอาปิดประชมุมเออเอาพวกเราทั้งหลายในเสียสละมาการมาร่วมร่วมกันประชุมทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวาสหลายท่านวันนี้ด้วยบุญด้วยกุศลที่เรา ตั้งกิจ ต, ตั้งใจที่จะช่วยดูแลพระสงฆ์ตามที่พระพธองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดก็ตามอยากจะปนนิบัติพระพุทธเจ้าให้ดูแลปล น, นิบัติภิกษุไข้ถ้าผู้ใดดูแลพระภิกษุข้ผู้ทรงศีลกระเท่ากันกับปฏิบัติพระพุทธเจ้าอันนี้พระพุองค์ได้ตรัสไว้ในใ น, ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเชื่อในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสพระหนึ่งไม่มีสองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราได้ปฏิบัติตามเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธโดยบุญโดยกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราได้บำเพ็ญโดยเจตนาดีเพื่อจะดูแลครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุญทั้งหลายทั้งปวงนี่ขอให้พวกเราประสบความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจทั้งกดีโลกและกะดีธรรม ปรารธนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปราศธนาหลวงพ่อกัวมวไทยนะในการปิดประชุมเมื่อวานนี้นี่แหละอันนี้ก็คือการดูแลพระสงฆ์อาพาธพระสงฆ์ที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยถึงท่านปฏิบัติปฏิบัติตชอบพนาดไหนแต่ร่างกายสังขารของท่านก็อยู่ในกฎอันิดจางทุกขังอนัตตาเหมือนกับชนทั่ ว, วไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ ไม่รู้จะไปที่ไหนไปที่นั่นสะดวกสะดวกแล้วก็โถกวิ น, นัยหลวงพ่อกากำชับอีกตึกหลังนี้ให้อยู่ในรัรกษาวิ น, นัยให้ดีนะผู้หญิงห้ามแตะต้องร่างกายของพระเพราะวินัยท่านเป็นอย่างนั้นเราต้องรักษาตามกฎตามระเบียบเนอะหลวงพ่อกา ก, กำกำชับอย่างนั้นทั้งอาจารย์แพทย์ทั้งคณะแพทย์ทั้งพยาบาล เขาก็มีศรัทธาอยู่แล้วรู้สิกว่าครูบาอาจารย์เข้าไปก็ได้รับความสะดวกสบาย อ, อบอุ่นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยท่านก็สัปปายักษ์นะพู ด, พดง่ายๆว่านะท่านสัปปายักนษะท่านก็เข้าไปรักษาเนะี่ยหลวงพ่อได้ยินในฐานะที่เป็นประธานของหมู่นิติจุดนั้นหลวงพ่อก็พอใจนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไม่ได้สมัครใจนะถูกหลานนะ อยู่ป่ารงพงไพ่แต่เป็นไปเป็นไปด้วยความจําเป็น จ, จําใจตั้งแต่เริ่มสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าให้หลวงพ่อไปเป็นประธานคัดตาทับไว้ก่อนหลวงพ่อก็เออคัดตาทับกัคัดตาทับพอผลที่สุด เ, เป็นครั้งหนึ่งขึ้นมาโอ้กําลังจะเดินได้หลวงพ่อขอเป็นอีกสปีเถอะพอเป็นสปีเสร็จแโอ้หลวงพ่อกํอาลังจะไปนั่นอยู่ถ้าหลวงพ่อออกไปกรไกละ ไ, ะไอยู่โอ้หลวงพ่อแก่แลนะนา หลวงพ่อขอตัวเถอะให้องค์อื่นเป็นแทนแต่โอ้ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังได้ช่วยเหลือพระสง์ครูบาอาจารย์ได้อยู่ขอท่านอาจารย์ามาเป็นประธานอีกด้วยเถอหนหนะลวงพ่อก็เลยนะั่นเลยตำเลยนะเนี่ยเป็น4 3 2 42เป็นแปด4 3 2นี่ยนะปีที่ห้าก็ได้ขึ้นเ็เป็นปีที่สาม เป็นรถที่สาบก็มาแล้วนั่นแหละอันนี้ก็คือมูลนิธิที่บอกเล่าให้ลูกหลานได้ฟังเทรงนั้นจะตกปัจจัยที่ลูกหลานได้ถวายมากน้อยบางทีขนัน่ดูแลพระสูงอาพาธบาั่งโรงพยาบาลบาั่งเครื่องไม้เครื่องมือบั่งโรงเรียนบั่งลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วอีกไม่นานไม่กี่วันนี้นก็นัน้วันที่สิบสี่นก็จะไปมอบโรงเรียนให้บาหัวช้างอยู่ใกล้ๆนี่นอีกนะอันนี้ก็ นักเรียนเขาอาคารเรียนเข า, เขาผุพังไม่ไหวฮะนี่แหละเขาก็วิ่งเขามาขอวัดวัดเออเอาไปดูอืออใช่แต่พอที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปนั่นนะะฮเหมือนพี่น้องประชาชนก็พึ่งพาอาศัยวัดวัดก็พึ่งพาอาศัยพี่น้องประชาชนคนโบราณเขาว่ากล้วยก็อาศัยไม้คำ้ำไม้ค้ำก็อาศัยต้นกล้วยลักษณะอย่างนั้นละ่ะอาศัยพึ่งพาอาศัยกัน แต่ถงยังไงในพรรษาที่จะถึงนะขอหลวงพ่อขอย้ําเตือนนะย้ําเตือนพุทธบริษัทสี่คว่าบริษัทเนี่ยพวกคือที่ตั้งบริษัทเนี่ยคงจะรู้ว่าบริษัทนี่คืออะไรนะบริษัทของเราเนี่ยขายอะไรบริษัทจํากัดบริษัทเปิดให้เป็นบริษัทนั้นะ อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราพุทธศาสนาเนี่ยว่าเป็นพุทธบริษัทของพุทธเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาในบริษัทของพุทธเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรในกฎระเบียบของพุทธเนี่ยอันดับแรกก็คือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดผู้ดียึดตนจัดชดายึดต้นพระพุทธศาสนาเป็นสรรนะเป็นที่พึ่งคือมองท่านผู้ดีเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างไร เป็นผู้หมดจดจากกิเลสจะไม่เพื่อเป็นคารวาสกับเป็นมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อออกบวชเสียสละทุกอย่างจากนั้นก็ได้บําเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาจนได้สําเร็จเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นก็ได้พระธรรมคือคําสอนออกมาได้ประกาศจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษา อันนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เ, เป็นยึดพวกเรายึดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องแรกก่อนจากนั้นพวกเราก็นํามาประพฤติปฏิบัตินะท่านพระธรรมบริษัทนี่ทำตัวอย่างไรยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งยึดเสร็จแล้วเนะี่ยเราปฏิบัติตนอย่างไรอย่างน้อยก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาทานนี่แหละหลวงพ่อบอกว่าทานนะทานคำนี้นะ ในพรรษาที่จะถึงเนี้ยในสมเดือนเป็นเราเป็นพุทธบริษัทเราควรจะส่งเสริมบริษัทของตัวเองควรจะทําบุญตักบาทอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งได้ไหมวันพระครั้งหนึ่งได้ไม้มองค์หนึ่งได้ไหมถวายทาบุญในไว้ในพระพุทธศาสน า, าไม่ใช่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยไปว่าบริษัทเกเรเราเป็นเข้านัดมาทําในงานบริษัทแล้วก็ ทำตัวไม่ดีเกเรไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราควรจะมีเสียสละในการทําบุญอย่างน้อยคนเนี่ยดูแลพ่อแม่ของตนเองให้ดีตามหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธให้เสียสละเนี่ยเราควรคารวธรรมธรรมของคารวะให้มีสัจจะความจริงจังและจริงใจต่อกันธรรมะให้รู้จักรู้จักข่มจิตของตนขันติให้มีความอดทน จ่าคะให้มีความเสียสละจ่าคะคำนี้แหละพวกเราอยู่ใกล้พ่อแม่ก็ให้ดูแลพ่อแม่ของตนเองคือจ่าคะเสียสละดูแลพ่อแม่ของตนเองถึงจะไม่ดูแลพระสงฆ์ก็เถอะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธพุทธบริษัทนะก็ให้ดูแลพ่อแม่ของตนเองให้ดอีอันนี้ก็คือฐานะ ศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างที่พวกเรารักษาเมื่อกี้เนี่ยศีลห้าในพรรษานีได้ไหมให้ทานอาทิตย์ละครั้งหรือว่า like ทุกวันหรือว่าทุกวันพระได้ไหมทานศีลรักษาศีลเรารักษาทุกวันพระได้ไหมทุกวันอาทิตย์ได้ไหมถ้ารักษาวันพระไม่ได้ก็วันอาทิตย์ก็ได้วันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้วันใดวันหนึ่ง เดือนหนึ่งเรารักษาครั้งหนึ hmm> ่งหรือสองครั้งได้ไหมหรือรักษาตลอดไตรมาสสมเดือนได้ไหมรักษาสินห้าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะรักษาตลอดไตรมาสสามเดือนก็ได้รักษาศินห้าสัมรวมกายวาจาข้าพเจ้าจะไม่ข่าข้าพเจ้าจะไม่ขโมยข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกข้าพเจ้าจะไม่ดื่มธุราดื่มสุราสุดนี้แหะ แต่ตามให้จริงพนทบริษัทของเราเนี่ยควรจะมีสติสัมปชัญญะตลอดไตรมาสสามเดือนไม่ควรจะดื่มสุรานะและถ้าดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติคนขาดสติเห็นไหมทําความชั่วใ้ทุกอย่างคนขาดสติจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้เพราะขาดสติทําความชั่วจะขมโมยใครก็ได้เพราะขาดสติจะ ล, ะละาบระลวงในสามีภรรยาของใครก็ได้เพราะขาดสติโกหกใครโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติ นี่แหละข้อสุราคอสุดท้ายน่ะคนขาดจิตธรรมความเสียหายได้ทุกอย่างคิดดูสิใช่ไหมนี่แหละอันนี้ข้อนี้ให้พวกเราในพรรษาข้าพเจ้าจะงดดื่มสุราแล้วก็แถมอีกข้าพเจ้าจะงดสูบบุหรี่เฮ้เพราะเป็นบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราอยากจะอดมานานละละเรื่องบุหรี่เนี่ยแต่ว่ามันอดไม่ได้นี่ไ ขันสนะใส่สม เ, เ, เ, เดือนนี่เลยว่าข้าพเจ้าในสมเดือนนี่ยตายเป็นตายแล้วมันตายให้เห็นรู้สิวะข้าพเจ้าจะงดบุห๋ยรู้สิข้าพเจ้าจะงดเหล้ารู้สิเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเริ่มเริ่มเป็นคนดีได้แล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไม่ใช่วันคืนเดือ น, ป, นปีผ่านไปผ่านไปผ่านแต่คืนบันคืนเดือนปี พันสาผ่านไปแล้วก็แล้วเราไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขไกายว่ายใจใจของเราเลยไม่ก็ไม่น่ า, จ, าจะถูกเหมือนกันนะอันนี้หลวงพ่อขอฝากเอาไว้กับพวกเราทุกทุกท่านเป็นพุทธศาสนิกขขชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องควรจะประกอบคุณงามความดีจากนั้นกว่าข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวันก่อนนอนเวลาก่อนนอนแล้วก็นเนี่ยไหวพระอรหัง สวากาโตสุปฏิปนโนและก็นโมตต ะ, ะพระครตวตโอระหาโตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก่อนนอนนะแต่อย่าได้ขาดนะเอากราบทุกวันในพรรษาในี่ยตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยข้าพเจ้าจะไหว้พระพระโทุกวันไม่ให้ขาดนะเน่ยถึงจะมาตื่นขนาดไหนก็จะให้กราบพุทธโธธรรมโมสังโคนิพานังนะอยังค่อยนอนนะ คือไม่ใหยกักไม่ให้ขาดเลยในพรรษานะเน่ยเราจะเป็นพุทธาศาสนิกชนที่ดีเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่ามากกว่านั้นกับพุทธทงัทาางธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิดรุตียำปีเข้าไปเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งท่ามากกว่านนั้นกับอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสามพุทโธนะเราท่องอิวิอิติปิโสสามจบท่ามากกว่านั้นกันนั่น นั่งคัดสมาธิท่องอิติปิโสร้อยแปดจบตามลูกประคำเลยอันนั้นยิ่งเลิศประเสริฐนะาจากนั้นก็แผ่เมตตาเมื่อเราท่องอิติปิโสจบแล้วแรวสวดมนต์จบแล้วอย่าลืมนะแผ่เมตตานะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้ศึกษามาท่านบอกว่าคนที่มีเมตตา หลับและตื่นเป็นสุขไปอยู่นาสถานที่ใดก็ไม่มีเวรมีภัยไม่ได้จองเวรจองภัยกับใครแล้วจะไม่มีผู้ที่จะมาปลูกอาคาตพยาบาทจองเวรเรา เ, เวรใหม่จะไม่เกิดขึ้นถ้าคนมีเมตตานะเว้นเสียแต่เวรเก่ากรรมเก่าเวรเก่าของเราในอดีตชาติอนนัน้มันช่วยไม่ได้เพราะเราทำเขาเขามาเขาก็ต้องมาจองร่างจองผานเรา แต่เวรใหม่จะไม่เกิดถ้าเรามีเมตตาอยู่ในจิตในใจเมตตาในปัจจุบันนะคืออะไรเวลาเราไหว้พระจบลงแล้วนะ้วก็ทำปนมมือขึ้นทำใจให้นีงๆแผ่เมตตานะแผ่เมตตาอุทิศนะข้าพเจ้าจงเป็นสุขนะข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นขอให้มีความสุข อย่างข้าพเจ้าทกดวงใจทุกทุกดวงวิญญาณด้วยเทอินนะอันนี้คือแผ่เมตตาในปัจจุบันนะคือตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็แผ่เมตตาคนที่มีเมตตาหลับและตื่นเป็นสุขไม่มีเวรมีภัยนี่แหละครูบาอาจารย์ที่ท่านไปทุดงในป่าดงพงไพ่ยอย่างหลวงพ่อเนะี่ยไปอยู่ในถ้มภูผาป่าไม้อยู่ในถ้ำไหนก็ตามนะเวลาจะทาเมื่อทาวัด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 นั่งภาวนาข้าไปเจ้าจะนั่งภาวนาในพรรษาในสัก10นาทีหรือห้านาที10นาที20นาทีได้ไหมเอาสัก20นาทีก็แล้วกันนะสิบนาทีจะชักจะน้อยไปนะนั่งภาวนาทําจิตใจให้เน่งเน่งสงบพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธตามแนวแถวสายล่งปูม่มันนะท่านบอกว่าท่าภาวนาอย่างอื่นอ่ะมันหลงลืมได้ง่ายกําหนดลมหายใจเข้าออกนะี่แหละ มันเผลอไปก็ดึงกลับมาให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุธโทพุธโทเนะี่ยนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเรานะคะ่นะนักทายญาติโยมลูกหลานทุกคนหนะ้าจิตใจของเราจะร่มเย็นเป็นสุ ข, สขกายสุขใจใเนี่ยเราระลึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สบายใจมีความสุขใจถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ อตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนากตรี น, นะนนะ